ถามโลกตอบธรรมในวันนี้จะคุยในเรื่องความรักเลยค่ะบา <c oughs> งคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะความรักมาเกี่ยวอะไรกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกี่ยวอะไรกับพระดิฉันนําเรื่องอะไรมาจับจ้วงพระคุณเจ้าหรือเปล่า <c oughs> มันเป็นข้อสงสัยจริงๆนะคะเพราะว่าบางเอิญเพิ่งไปงานแต่งงานของญาติที่เขาไปรักใคร่ชอบพอกับคนในศาสนาอื่นแล้วก็ได้เห็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นแล้วก็ได้ฟัง การอบรมคู่บ่าวสาวโดยหยิบยกเอาถ้อยคําของาศาสดาเนี่ยมาบอกกับคู่บ่าวสาวฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นาศาสนาที่พูดทางโลกได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วก็มีทางธรรมเข้ามาประกอบด้วยใกล้ตัวดูไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันยากเกินกว่าจะเข้าใจนะคะอสอนหมดเลยสอนในเรื่องที่เราไม่คิดว่ า, าศาสนาจะสอนอนะคะละเอียดละออก็เลยสงสัย <c oughs> ว่า ความจริงความรักมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะของคนที่จะต้องพบดังนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าในศาสนาพุทธเองมีการพูดถึงเรื่องของความรักเอาไว้อย่างไรบ้างเหมือนกับว่าสอนอย่างไรคนที่จะรักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะหรือว่ามองเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับธรรมะค่ะอ๋อจริงๆพระเจ้าสอนบทหน้าที่ของคารวาสในแบบต่างๆเนี่ย จะเป็นหน้าที่ของอมารดาบิดาต่อบุตรบุตรต่อมารดาบิดามารดาสามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีน ะ, ะสิ่งพวกนี้สอนหมดถ้าเราเป็นภรรยาจะไปสู่บ้านของสามีเนี่ยมีคุณธรรมหลายอย่างเลยที่พระเจ้าบอกว่าถ้าทาแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่เป็นสุขมุมหนึ่งนัยยะหนึ่งนะพเจ้าบอกว่า ภรยาที่เข้าไปอยู่บ้านสามีเนะี่ยต้องตื่นก่อนนอนหลังเขานะตื่นก่อนนอนหลังมาดาบิดาเขานะแล้วก็ต้องช่วยในกิจการงานภายในบ้านของสามีอันนี้ท่านท่านสอนไว้เลยเหรอท่านสอนไว้เลยใช่ขยันอ่าไม่ เ, เขยดค้างในกิจการงานในบ้านของสามีนะต้องตื่นก่อนนอนหลังด้วยแล้วก็ คนเหล่าใดที่เป็นที่เคารพักษ์ของสามีเนี่ยนะเช่นสามนภพรามหรือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเขาเนี่ยตัวเองก็ต้องอเคารพักษ์ด้วยนะรู้จักให้น้ำให้ท่าต้อนรับนะเมื่อเขามาเมื่อเขาจะไปอย่างนี้จากนั้นเนี่ยในกิจการงานในบ้านของสามีเนี่ยต้องรู้จักว่างานใดเป็นสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้กระทำะนะยังไงครับท่าน เช่นว่า ง, งานอะไรที่ที่เขาทำค้างค้างไว้เนี่ยต้องต้องมองเป็นต้องจัดสรรคนเป็นให้คนใช้ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้นะตัวเองต้องทำงานนี้งานนี้เสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องทำคือจัดระเบียบงานเป็น <Okay. S 1> จัดระเบียบงานในบ้านนะเป็นรู้การงานรู้หน้าที่ตรงนี้ถึงให้ที่ท่านให้ความเป็นใหญ่ในบ้านเ น, นี่ยภรรยาเนี่ยสามีต้องให้ความเป็นใหญ่ในบ้าน อ๋อเหรอคะคือท่านทรงสอนไว้ว่าสามีต้องให้ความเป็นใหญ่ใกับภรรยาในบ้านกับอะไรฟังดูดีสําหรับผู้หญิงมากเลยนะคะใช่แล้วแต่จากนั้นเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของสามีไม่ทําทรัพย์ให้เสื่อมไปด้วยการเสซปปายมุกของเราก็ตามการเดิมสุลาการเล่นการพนัน การลกขโมยไม่ไม่เป็นคนที่ผ่านทรัพย์ของสามีแล้วถ้าไปใช้อย่างอื่นไม่ใช่ใบามุกด้านเข้าไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่งตัวนี้ก็ก็ได้อยู่นะฮะตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ผู้เจ้าบอกเป็นหน้าที่สามีเลยนะอ๋อค่ะว่าต้องรู้จักให้เครื่องประดับภรรยา อ, อแสดงว่าผู้เจ้ารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบเครื่องประดับ ตอนนี้ภรรยาคนไหนฟังอยู่คงจะสะกิดเลยนี่เธอเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังบอกเลยไม่ต้องซื้อเครื่องประดับให้แต่คงจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเกินเหตุมั้งคะคงอยู่ใน<ก>ความตา ม, ตามกําลัง <c oughs> ตามกําลังสามีค่ะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมค ะ, ะก็ในยะนี้ก็บอกแค่นี้ถ้าทําแค่นี้นี่พอละเพียงพอละ เราถือว่าเป็นภรรยาที่ดีแล้วเป็นภรรยาที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่เจ้าบอกเนี่ยมันมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ให้ผูกน้ําจิตน้ําใจกันนะเป็นเหตุปัจจัยทางธรรมชาติเลยค่ะคือตื่นก่อนนอนทีหลังนี่ก็แสดงถึงว่ามีความรักในสามีมากนะคะเสียสละยอมที่จะตื่นก่อนใช่ใช่รู้จักดูแลกิจการงานของสามี คนที่สามีเขารบลักเราก็เขาลบรักด้วยเหมือนกันไม่ดูถูกเหยียดหยามอย่างเงี้ย Love me love my dad อะไรเงี้ยนะแล้วก็กิจการใดรู้รู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่างไรในบ้านในเรียนของสามีใช่สามีต้องให้ความเป็นใหญ่กับพัญญาชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้ไว้สามีต้องให้ความเป็นใหญ่กับปัญญาเป็นการให้เกียรติใช่นยะอื่นก็มีนะในยะอื่นเนี่ย ลักษณะของภรรยาที่ทำให้สามีเนี่ยชื่นชมพอใจนะรักใคร่ชอบใจนะก็คือภรรยานั้นเนี่ยถ้ามีรูปสวยนะมีพวกขศัพท์นะมีมารยาทค่ะขยันไม่เกียจค้านแล้วอ่าสวยรวยรัพ์มีมารยาทไม่เกียจค้านค่ะมีบุตรให้เขาได้มีลูกอ่า ห้าอย่างเหล่านีนะ้เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียวโดยส่วนเดียวแล้วคนเดียวด้วยเปล่าคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าคนเดียวแถมไปอีกนายาสหนึ่งยังไงอ่าถ้าถ้าถ้าจะคนเดียวเรียกว่าย่อมบังคับสามีให้อยู่คลองเรือนได้นะถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้อ่ารูปสวยรวยทรัพย์นี่ซ้ำกันสองอย่างแล้วน ะ, ะอ่าแล้วหญิงนั้นมีกำลังคือญาติต้องมีญาติด้วย มีเครือญาติที่มีความเห็นเดียวกันเราและมีกําลังคือบุตรมีบุตรให้ได้และมีกําลังคือศีลอยู่ในศีลในธรรมอ๋อคือถ้าอันนี้จะบังคับให้อยู่ครองเรือนได้เมื่อสักครู่นี้ทําให้สามีพอใจเฉยพอใจแล้วอาจจะหลุดจากเรือนไปได้คทบทบทชวนให้ท่านผู้ฟังไม่สับสนนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านก็ได้พูดถึงคําสอนของพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของ าการที่จะเป็นสามีภรรยากันและให้มีความสุขแต่วันนี้เราเน้นในส่วนของภรรยาว่าถ้าเป็นเรื่องของอหน้าที่เนี่ยนะคะแล้วจะทำให้สามีรักเนี่ยจะต้องตื่นก่อนนอนหลังช่วยกิจการงานของสามีเคารพคนที่สามีรักรู้ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่างไรแล้วก็สามีก็มีหน้าที่ต้องให้ความเป็นใหญ่กับภันย า, าส่วนภรรยาที่ทำให้สามีพอใจ นะคะคือสวยรวยมีมารยาทขยันมีลูกได้และถ้าหากว่าภรรยาที่สามารถบังคับสามีให้อยู่ครองเรือนได้อันนี้จะมีสวยรวยซ้ำกับคุณสมบัติที่ทำให้สามีพอใจนะคะแต่มาแตกแยกย่อยไปว่าต้องมีกำลังคือญาต แปลว่าอะไรคะญาติต้องมีบารมีหรือไงคะอืมต้องต้องต้องมีคืญาติที่ที่มีบารมีเหมือนกับว่าเออมีมีลูกย่ามันเอามีลย่าที่สนับสนุนเราด้วยค่ะอย่างเงี้ยเส้นคือคือครอบครัวดีเขาก็เกรงใจนะคะแล้วก็มีบุตรมีศีลอันนี้สําคัญมากใช่ใ่ตัวมีศีลนี่เป็นประเด็นที่สําคัญถึงแม้กําลังทั้ง4ี่ข้อแรกไม่มีค่ะแต่ถ้ากําลังคือศีลมีนะค่ะทุกอย่างจะเรียบร้อย บังคับสามีให้อยู่ครองเรือนได้ถึงอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ค่อยรวยมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีบารมีมากนะคะลูกอาจจะไม่มีแต่ถ้าศีลดีสามีจะนับถือนะคะอันนี้ยังสามารถดึงสามีไว้ได้เท่านคะถ้าอย่างนั้นเแปลกใจว่าอย่างเราไปงานแต่งงานศาสนาอื่นก็อย่างที่ได้กลับเรียนไปคือ เขาก็สอนกันซึ่งหน้าอย่างนั้นเลยโดยผู้ประกอบกิีบทางศาสนาจะว่าไปก็เปรียบเทียบเป็นพระนะคะแต่นี้ทางศาสนาพุทธนะคะเราไม่ค่อยได้ยินพระพูดในสิ่งเหล่านี้ในงานแต่งงานสักเท่าไหร่ก็คือคือ ค, คือเรื่องเหล่านี้เป็นอ่าเป็นสิ่งที่พระต้องศึกษาเป็นพุทธพจนะเพราะว่าระดับสาวกเนี่ยไม่ได้แตกฉานในเรื่องทางโลกค่ะขีดนะจํากัดของสาวกเนี่ยมีในภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ย จึงถูกเรียกว่าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทั้งทางโลกทางธรรมผู้ <c oughs> เจ้าจึงบอกว่าภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เราตั้งจิตว่าเราจะศึกษาศึกษาอะไรศึกษาพุทธวจนะคําพูดของผู้เจ้า <c oughs> และถ้าคนไม่ศึกษาเนี่ยการบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐ <c oughs> ิ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันหมายความว่า อ, อ, อาจจะสอนผิด <c oughs> สอนผิดแล้วอาจจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาปัญหาที่เกิดได้ชัดก็คือ มันก็เกิดความเสื่อมเกิดความเสื่อมแล ะ, ะตัวเองก็ไม่ได้ซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยมหาชนที่รับการบอกสอนจากตัวเองไปนะ่ะก็เดินออกไปนอกแนวทางของอความปนทุกข์นอกแนวทางของมรรคปิยด้วยคือเสียหายทั้งตนเองและมหาชนผู้เจ้าจึงกําหนดความผิดตรงนี้ไว้เป็นความผิดที่เกิดความเสียหายต่อมหาชนเป็นจํานวนมากสอนผิดในมรรคและปฏิปทาค ดังนั้นเนี่ยถ้ากลับมาเรื่องที่วันนี้ได้มานมั ส, ส ก, การกราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ในช่วงถามโลกตอบธรรมรายการสรนสนีสนทนาเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เ, เราเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็มาถามว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าได้สอนในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ปรากฏว่าสอนไว้แล้วสอนดีมากถ้าหากว่าต่อไปในวันข้างหน้านะคะจะนิมนต์พระไปประกอบ <c oughs> พิธี ในงานแต่งงานส่วนใหญ่เขาก็จะนิมนต์สวดมนต์ในช่วงที่ก่อนจะมีการหลั่งน้ําพระพุทธมนต์ในตอนหลังเนี่ยถ้าหากว่าจะนิมนต์ท่านให้เทศสอนด้วยก็น่าจะดีนะคะเพราะดูเหมือนก็ว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเป็นคำอมาจากพระแต่ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตเอาเรื่องทางโลกเล่าให้ท่านฟังความจริงตัวเองก็มีประสบการณ์แบบไปตามงานอย่างเงี้ยนะคะก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็มักจะ เป็นการอวยพรกันในงานเลี้ยงสัมากซึ่งในงานเลี้ยงเนี่ยก็มักจะมีการเชิญแขกผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยรักใครนับถือใครใช่ไหมคะแล้วก็จะเชิญท่านเหล่านั้นให้โอวาสก็จะเป็นโอวาสจากคารวาสบางท่านก็มีภูมิรู้ภูมิปัญญาก็อาจจะนําในสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยไปกล่าวสอนแต่บางท่านก็อาจจะไม่สามารถที่จะนําเสนอในสิ่งที่เราถือว่าพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นเป็นสิ่ง ที่มีคุณค่ามาก น, นะคะใชะ่ขออนุญาตท่านอาจารย์ย้ําเรียน<อ>ยั ง, ย, งยังมีเพิ่มใช่ไหมคะยังมีเพิ่มอ๋อมีเพิ่มอีกนะเรียกว่าอัดแน่นเลยรลยงานนี้มีมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็ส่วนใหญ่คนที่แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยย่อมไม่อยากที่จะเลิกกันจริงไหมถูกค่ะคไม่ไม่อยากเลิกไม่อยากแตกแยกกันมีธรรมะอะไรไหมที่ทําให้เนี่ยไม่ต้องแตกแยกกันไม่เลิกกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า โอ้โห oh, <laughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยกไปคุยพวกนี้ไม่ดีหรอคะ <laughs> จะได้ลงรายละเอียดหน่อย <laughs> ได้ดีไหคะท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้ด <laughs> ีฉันจะสรุปเรื่องที่เอาแค่ที่ท่านได้เอาคําสอนพุทธเจ้ามาบอกเราในวันนี้นี่ <laughs> ก็มากจริงๆเลยนะคะ <laughs> คือใครที่ไปเป็นภรยาฟังเอาไว้เถอะค่ะแล้วท่านจะเป็นภรยาแสนรักของสามีนะคะ <laughs> คือตื่นก่อนนอนหลังช่วยกิจการงานในบ้านของสามีเคารพคนที่สามีเคารพรักกิจการใด ที่ควรทำไม่ควรทำนะคะทให้เหมาะสมสามีก็ต้องให้ความเป็นใหญ่กับพรรยาแล้วก็ภรรยาก็อย่าทําให้ทรัพย์ของสามีเสื่อมไปด้วยใบยมุกต่างๆอย่าไปเล่นฟุตบอลอะไรตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่าไปเล่นไพ่สามีต้องให้เครื่องประดับกับภรรยาบ้าง น, นะคะตามควรแก่ฐานะส่วนถ้าอยากเป็นพัรยาที่สามีพอใจ <c oughs> นอกจากความสวยความรวยต้องมีมารยาท ต, ต้องมีความขยนัน มีลูกได้และถ้าหากว่าจะบังคับสามีให้อยู่ครองเรือนได้นะคะคุณสมบัติคือรูปสวยรวยมีญาติที่มีมีบา ร, รมีมีบุตรมีศีลถ้าหากว่าข้ออื่นๆไม่มีมีศีลอย่างเดียวท่านก็สามารถจะบังคับให้สามีอยู่ครองเรือนได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่รายการถามโลกตอบรามขอมอบให้เป็นสมบัติอล้ำค่าของผู้หญิงทุกๆคนนะคะ